1.6 จธรรมะที่ควรเจริญอย่างยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาหลายคนบอกว่าจะไม่เอาสมถะไม่เอาสมถะไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญอย่างยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาแต่ต้องเจริญด้วยปัญญาอย่างยิ่งเวลานี้ควรทำสมถะก็ทำเวลานี้ควรทำวิปัสสนาก็ทำไม่ใช่ปฏิเสธสมถะหรืออวิปัสสนาอย่างเดียว อีกพวกหนึ่งจะเอาสมาธิอย่างเดียวแล้วคิดว่ามันจะเกิดวิปัสนาเองมันสุดโต่งอยู่สองข้างนะมันไม่เป็นหรอกทําสมาธิแล้วไม่ได้เกิดวิปัสนาเองเหตุของสมาธิและเหตุของวิปัสนามันคนละอันกัน